ตอนละความเห็นผิดวันที่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดก็กล่าวนมรส ก, การพระกุณเจ้าคุณเบจีกัลยม่ตรทุกคนนะก็ปกติเราต้องดูประมาณถ้าถ้าฉ า, ายหมดเท่าไหร่เกือบชั่วโมงครึ่ง น, นะถ้าเราดูเนื้อเรื่องทั้งหมดก็จะเข้าใจมากขึ้นแต่เรามีเวลาน้อยพเพราะครูก็ให้ตัดให้รู้ พอเข้าๆนะก็เริ่มต้นจากพระคุณเจ้ารูปนี้เนี่ยบวชมา20พรรษาแล้วก็ท่านเข้าไปก็กรรมาฐานอยู่ในถ้า3ปีนั่งกรรมาฐานอยู่3ปีเข้าไปในฌานนะก็3ปีถึงเวลา3ปีเนี่ยพระครูบาอาจารย์ก็เปิดห้องเขาไปรับออกมาผมยาวเล็บยาวหมดนะ ไม่ต้องกินไม่ต้องนอนอยู่ในฌานก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งการเข้าไปในฌานเนี่ย อ, อ, อะไรก็กระทบเราไม่ได้นะไม่ต้องกินไม่ต้องนอนถ้าเกิดศึกสงครามแล้วหาถ้าอยู่ไปในฌานนะเราเป็นทางรอดอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเในการเจริญมรรคจิตนะไม่ได้เจริญสติด้วยเม่อไรเข้าไปอยู่ในฌานะเราไม่ได้ใช้พลังงานเราก็อยู่ได้ ทีนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะมันมีประวัติเขาก็ถ่ายทำออกมาให้ดูแล้วเขาก็เฉลิมฉลองอย่างน้อยท่านได้อะไรท่านได้ขันติบลัลลวิริยะบรรมีนะท่านได้อุเบกาน่ะแหละแต่ปัญญาไม่เกิดนะลักษณะเหมือนเราฝึกเหมือนกันเราไปนั่งกดมันไว้นะเหมือนเรากดสปริงอันนี้เหมือนเหมือนกดสปริงเนี่ยนะ ตอนชี้กดมันก็นิ่งใช้พลังชานน่ยกดมันไวนะ้อะไรก็กระทบไม่กระเทือนเพราะเราไม่รับกระแสนะตอนที่จะปลุกให้ตื่นก็เรียกเบาๆแล้เอาเสียงะระฆังค่อยๆปลุกค่อยๆปลุกค่อยๆปลุกนะเพราะจิตมันดิ่งเข้าไปในฌานไม่รับกระแสภายนอกนะออไม่มีอะไรสุขขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกอะไรเลย แต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยในการพัฒนาจิตใช่ไหมพอออกมาปุ๊บเหมือนกดสปริง น, ะ, นะเอาเห็นอะไรปุ๊บนี่ยมันเด้งพางเลยอันนี้เขาก็พิสูจน์นี่คือหลักใหญ่ๆสุดท้ายคนเรามันมีสองด้านมีทั้งบา ร, รมีด้านบวกถึงได้มาเจอพุทธศาสนาได้บำเพ็ญเพียรขนาดนี้นะส่วนด้านลบเราก็มีอยู่ผู้เจ้าก็ชี้ทางให้ไปขัดเกา ให้ไปลถกระแสะกรรมอยู่ในจิตนะให้ไปเข้าขัดเกา่าขีดจันหาวประทานแต่ที่เราไม่ไปเข้าไปขัดเก่าเราไปฝึกสมาธิเจริญสติและบางทีก็หนีเข้าไปในฌานไปติดสุขในฌานไปกดเหมือนไวไอเชื้อตอนนั้นมันก็ยังอยู่ในเมืองไทยเราก็มีนะมีครูบาอาจารย์ไม่กระทั่งบุคคลธรรมดาแต่ไม่มีข่าวก็ช่างฝึกมาตลอดชีวิตสามสี่สิบปีสี่ห้าสิบปี สุดท้ายก็หลุดออกไปเพราะว่าเราไม่ได้สะสางคดีความข้างในเราเพียงแค่ไปกดมันไว้นะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมแต่การเข้าไปติดสุขในฌานนั้นเราหนีทุกข์ทุกวันนี้เราก็ทุกข์ทุกคนทุกหมดแต่เราไม่เห็นทุกข์นะเราไปกดมันไว้หรือว่าเราไป สแสวงหาความสนุกสนานความสะดวกสบายเนี่ยความลื่นเลงเนี่ยมากบเผื่อนความทุกข์นั่งอยู่ในบ้านเฉยเบื่อไปเที่ยวดีกว่านะออมันร้อนเปิดแอร์ให้มันเย็นชีวิตเรามันหนีทุกตลอดเราหนีทุกเราจึงไม่เห็นทุกเราจึงไม่เห็นธรรมนะการเข้าไปในฌานก็คือการหนีทุกอย่างหนึ่งนะ หลวงพ่อชาพูดบ่อยๆว่าเมื่อจะถือศีล น, นั่งสมาธิมันจะไปไหนนะมันจะไปไหนนะไม่ได้หมายถึงคนนะหมายถึงว่าจิตสภาวะจิตมันจะไปไหนล่ะทีนี้ถ้าเป็นคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระคุณเจ้าก็ออกไปแต่งงานไงเห็นไหมก็ออกไปแต่งงานไปสร้างเรือนแต่ทีนี้ส่วนที่เป็นบุญท่านก็มีอยู่อันนั้นก็ไปใช้หนี้กรมอะไรเนี่ยนะ ก็ทำให้ตื่นอยากทำอะไรก็ทำแล้วนี่สังเกตไหมท่านบวชมา20สบปีจเจริญกรรมาฐานแบบเข้าถ้ำเลยสามปีแน่นอนรู้สินมีสินมีธรรมระดับหนึ่งเห็นหแต่สู้กระแสกรรมไม่ได้อาก็ออกไปแต่งงานไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นบุญร่วมกันรวบกรรมร่วมนะต้องไปแต่งงานกันใหม่นะเหมือนเจ้าชายสิทธา พระองค์ประสูติมาในชาติสุดท้ายยังต้องแต่งงานเพราะไม่เห็สีนี่อธิษฐานจิตว่าต้องมาพบกันอันนั้นเป็นเรื่องกระแสกรรมอันนั้นก็ส่วนหนึ่งก็อยากทําก็ทําแล้วไงแต่สู้ความอยากไม่ได้ก็สร้างกรรมใหม่อีกแม้กระทั่งคนชายก็ไปคบชู้กับเขาวัตตสงสารน่ากลัวมากอันนี้เรื่องนี้ก็ลิงก์ไปวันเสาร์ที่พ่อพูดถึงหรือว่าญาติธรรมเราเป็นด็อกเตอร์คนหนึ่งน่นแหะ ที่เล่าให้ฟังวันเสาร์นัน่นเห็นไมถ้าไม่มีฮีเลโอต ป, ปะนะไม่มีขันติไม่มีความมุ่งมั่นแล้วเนี่ยทุกคนหลุดหมดเรื่องนี้น่ากลัวมากนะออพวกเราเองยิ่งเป็นผู้คองเรือนเนี่ยคงไม่มีโอกาสไปเบิยนเพียนขนาดนี้นะถ้าปฏิบัติยอ่ยอยๆอยอ่แ ย, ย, ยเลยเนี่ยเราจะสู้กระแสกรรมเราได้หรือนะเพียงแต่ว่าอย่าดูถูกตัวเอง บรารมีเก่าเราสร้างมาย่อมมากเหลือเกินเราจึงได้มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐได้มาพบคําสอนของพุทธเจ้าแล้วก็ได้มานั่งอยู่ที่นี่นะคําสอนพุทธเจ้าก็มีหลากหลายใบไม้กับมือเดียวที่พระองค์เอามาเผยแพร่เนี่ยดึงมาแค่ใบหนึ่งทำจริงจริงจังๆแหละก็ได้แต่ใบไม้ทั้งป่าเยอะมากพระองค์ตรัสรู้เยอะมากแต่เอาแค่นี้ก็พอแค่ทําจริงๆ จ, จังๆนะ ก็อันนี้เป็นอุทาหรณ์ส่วนปริศนาธรรมอันสุดท้ายที่อยู่ก้อนหินเนี่ถ้ามันเหลือน้ำหยดเดียวเนี่ยเราจะรักษามันได้อย่างไรไม่ให้มันเหือดแห้งคำตอบเขาพลิกมาก็คือว่าเทลงไปมหาสมุทรเปรียบเสมือนว่าตัวเราตัวเราเนี่ยเราไม่สามารถดำรงอยู่ อยู่ยงคงกับพันได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเราเกิดมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายนะเรารักษามันไม่ได้ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำให้มันเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเห็นหก็เทมันคืนสู่จักรวาลเข้าไปสู่ความว่าง วันที่พระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดวันที่เจ้าชัยสิทธตัตถะรู้ธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นในวันวิสาขาบูชาน่นเป็นวันที่พระองค์ไม่เหลืออะไรเลยชีวิตพระองค์เทคืนสู่ความว่างสู่ธรรมชาติเข้าสู่สุญญาตาคือว่างจากอัตตานั่นแหละมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันเวียนว่ายตายเกิดอีกในสามโลกธาตุนี้ความว่างจึงเป็นสิ่งที่ยิ่ง ใหญ่ที่สุดความว่างเป็นสิ่งใหญ่ใหญ่จนขนาดไหนจนล้อมลัวไม่ได้จักรวาลหลายๆจักรวาลลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่อ ง, อ, งอยู่บนความว่างนั่นละใหญ่แค่นั้นละ่ะก็เปรียบเสือมว่าน้ํ า, าหยดเดียวเนี่ยจะทําอย่างไรเนี่ยอย่าให้มันเหือดแห้งนะก็เทลงไปทะเลซะนะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของทะเลเหมือนจิตเราเนี่ยเข้าสู่ความว่าง นะเข้าสู่ความว่างตรงนั้นนะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นอย่างเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องไม่ต้องเบียนไหวตายเกิดนะอันนี้ก็่ะดูถูกตัวเองนะสิ่งที่ดีๆแล้วก็ประพฤติปฏิบัติมาสะสมมาหลายชาติละแต่ก็อย่าประมาทกรรมแล้วก็เพอสร้างมาหลายชาติเช่นเดียวกันเห็นไหอันนี้ ยื้อกันไปยื้อกันมานะคล้ายๆว่าสองฝ่ายนี้เนี่ยดึงกันไปดึงกันมานะก็วันนี้อาจารย์ยึดมาจากมหาสร า, ารคามล้วก็ไปของเจียมไปถ่ายรูปอะไรกันเพื่อจะวาดภาพสามมิตินะเราก็สนทนากันนะท่านก็ถามพระครู ว, ว่าอย่างพี่น้องเนี่ยถูกหวยบ่อยๆ ถูกหวยบ่อยๆเนี่ยมันดีไหมนะมันไม่ใช่ดีไม่ดีแล้วแกบอกว่ามันจะหมดไหมมันเป็นเรื่องบุญนะบอกว่าเราฝากธนาคารไว้เนี่ยเราเบิกเงินได้เป็นสิทธิของเราแต่เบิกบ่อยๆมันก็หมดมันเบิกได้นะบางทีลทัธิหลายลทัทธิเขาเรียกว่าลทัทธิมีหลายลัธิเบิกเบิกบุญนะสอนวิธีเบิกบุญ เคือก่อนจะเป็นบุญนี่เป็นยังไงอ่ะยกตัวอย่างว่าถ้าบุญนี่เกิดจากการว่าวัตถุทานเนี่ยเกิดจากว่าเราอุตสาห์ลงทุนลงแรงไปเรียนเอาวิชาแล้วก็จบออกมาก็เอาวิชาไปทำมาหากินผลของมันคือได้เงินมากว่าจะได้มาอู้เหนื่อยเหงื่อไหลใครย้อยยังอุตสาห์แบ่งเงินที่ได้มายจากหยาดเกิดยัางงานเนี่ยไปทําบุญ เ, เหมือนเหมือนไปทําบุญ ฝากธนาคารไว้นะเปลี่ยนแรงงานเปลี่ยนวิชาเอาเวลาไปแลกเป็นเงินและเอาเงินมาแลกเป็นบุญนะวันดีคืนดีความอยากมันเกิดขึ้นก็ไปเบิกบุญมาแลกเป็นเงิน <c oughs> คนเรามันไม่รู้ทำอะไรอยู่นะชักกะเยอะอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ผู้เจ้าไม่ได้สอนให้ทำอย่างนั้นทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใส ทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานให้ทานคือจากะคือสลัดออกนะสลัดออกสลัดออกสลัดออกมันก็สะอาดมันเป็นการขัดเกาจิตตัวโรคตัวตนีนี่ให้มันออกไปทุกวันอันนี้เราทำบุญแล้วก็ตามบุญวันดีคืนดีอยากได้เงินก็ไปเบิกบุญมาเปลี่ยนเป็นเงิน ทำบุญไปร้อยบาทกับพระพุทธเจ้าสาธุให้ถูกระวันที่หนึ่งอันนี้ไม่ใช่บุญนะอันนี้ค้ากําไรเกินควรนะตอนนี้บางทีสอนกันอย่างนี้นะคือเหมือนเอากิเลสลอกิเลสเนี่ยมันเหมือนดีนะเหมือนมีประโยชน์แต่ถ้าไม่เขารู้เท่าทันมันอนะ่ะเป็นโทษมหาหันอย่างนี้นั่งเฉยเฉยดีกว่าไม่ขาดทุนนะทําบุญตามบุญเนี่ยไม่ใช่บุญขาดทุนด้วยนะ ทำบุญเพื่อสนองความโลภ ป, ปกติเราทำบุญเพื่อทำลายความโลภแต่นี่เราทำบุญเพื่อสนองความโลภเนี่ยอันนี้คนอื่นไม่รู้แต่จิตเรารู้บันทึกไว้เต็มๆ เ, เลยนะมันเป็นแค่บุญกิริยาเป็นกิริยาในการทำบุญเฉยๆแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยจิตทำเนื่องด้วยความอยากยิ่งทำก็ยิ่งเปื้อนนะมันไม่มีความรับในโลกนี้นะเราจะ แสดงหลอกเขาก็ชั่งนะเราหลอกขึ้นม่ได้หลอกจิตไม่ได้จิตเขาบันทึกว่าเราเขาบันทึกว่าเจตนาเรามีอย่างไรอันนี้ต้องเข้าใจนะทําบุญเนี่ยบุญคือเบาบาปคือหนักเหยียงทิ้งปุ๊บเบานะทำบุญแล้วหนักอกหนักใจฉันทําบุญไปตั้งนานแล้วไม่ประกาศชื่อฉันสักทีหนึ่งเห็นไหมเรามีโลคโกรธหลงเราทําบุญเพื่อทําลายความโลคไม่ประกาศชื่อฉันส ท, ทีหนึ่งเพิ่มความหลงอีกมาแล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะหมด ทุกวันนี้ทำบุญมีอามิช์ทั้งนั้นแหละทาบุญเพื่อสาธุเกิดชาติหน้าให้สวยกว่าเก่าให้รวยกว่าเก่าทำบุญเพื่อสร้างชาติทำบุญเพื่อให้มีอนาคตเราไม่เข้าเราไม่เข้าใจหลักธรรมของาศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่ยทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานคือสลัดออกนะเป็นการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสทำลายความโลภความตณีเรา นะไม่ใช่ไปสะสมบุญสะสมบุญนี่กิเลส น, นะนะบางทีสอนให้ด้วยต้องจดจดจดจ ด, จดไว้นะทําอะไรจดจ ด, จดไว้ท่องจําไว้เลยวันจะตายก็คิดถึงมันนะ เ, เป็นกุศลถูกเขายิงโป้องกําลังจะตายก็ไปคิดถึงว่าเราทําบุญใหญ่ที่สุดเมื่อไหร่นะมันจะคิดทันไหมล่นะตอนนั้นมันทนเจ็บปวดไม่ไหวหรอกโอ้ยโอ้ยอยอ้ ย, อ ย, อยนรกสมบัตินั่นน่ะ เห็นไหมคือคือเราไม่เข้าใจการทําบุญนะทำบุญเขาหลอกให้เราทําบุญจะขึ้นสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไปสร้างอนาคตไงทำบุญเพื่อจะเป็นเทวดามีอามิตลอดทําบุญแล้วก็ไปตามบุญเหมือนเราโยนเงินเนี่ยลงไปในน้ําตุ้มบรรลุบุญแล้นะสมเด็จสมเร็จบุญแล้วบุญคือเบา แต่ น, นี่ไม่ไม่ใช่เฮ้ยกระโดดน้ำลงไปมุดลงไปดูว่าเงินฉันไปไหนนะอันนี้ทรมานสังขารนะอันนี้เป็นบาปเลนะบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสุญญาตาทานทานซึ่งไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้ไม่ใช่ว่าให้เพราะคนนี้ฉันให้แล้วฉันมีความรู้สึกดีใจคนนี้ฉันไม่ให้เพราะว่าฉันเกลียดเธออันนี้ไม่ใช่บุญนะ บุญคือเบาบาปคือหนักสลัดออกเท่านั้นเองนะนั่นคือสุญญาตาทานแต่ถ้าเราให้ปุ๊บเรารู้สึกดีใจนะ่มีผู้ให้แล้วมีผู้ให้แล้วมันมีอามิตรนะอันนั้นคือเราหลงบุญ ก, ก็ให้เข้าใจนะและโดยเฉพาะเรื่องการฝึกจิตเนี่ยเราไปหลงติดที่ฝึกจิตเนี่ยเข้าฌาน ไปเจริญชานไม่ใช่เรื่องผิดนะมันเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งถ้าเราอย่าไปติดมันเราก็ทะลุ ป, ป้องได้เหมือนกันนะให้กั่งสมถะกตัหานเจริญไปเรื่อยๆนสะสมแต้มไปเรื่อยอย่าสร้างกรรมใหม่เท่านั้นเองก็บรรลุทําได้เพียงแต่ว่ามันจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะยังสายวัดป่าเราเนี่ยนะพวกครูก็ถือว่าตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็เป็นสายวัดป่านั่นแหละนะไปกราบหลวงพ่อชาไม่รู้เรื่องหรอกนะไม่เคยปฏิบัติธรรม ก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติยังไงสายวัดป่าเขาต้องอยู่ป่าเทคนิควัดป่านั้นต้องตัดวงจรสังคมทั้งหมดมีคุณหญิงคนหนึ่งก็ไปบอกหลวงพ่อชาว่าจะสร้างนู่นสร้างนี่ท่านไม่เอาวัดป่าก็คืออยู่ป่านะเออมีครั้งหนึ่งเนื่องจากจะจัดงานก็ไปถวายเก้าอี้สมัยก่อนเป็นเก้าอี้เหล็กพับได้เนี่ยสองตัวที่วัดหนองประพงษ์ พอปีหน้ามามากราบหลวงพ่อก็ถามว่าเน้นเน้นเน้นก้าอี้ยังอยู่หรือมันเก่านันก็หรือเปล่านะนี่ทำบุญตามบุญนะหลวงพ่อชาบอกว่าโยมทำบุญตามบุญมันไม่ใช่บุญนะมันไม่ได้บุญนะเไหมไปลื้อฟื้นไปอะไรเพื่อให้เขาแซ่สองสรรเสริญมันไม่ใช่สุญญาตาทานสุญญาตาทานคือทานซึ่งบริสุทธ ไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้สักแต่ว่าให้ให้แล้วก็จบละหน้าที่เราจบละบุญสำเร็จแล้วไม่ใช่ต้องรอชาติหน้านะอันนี้ทำบุญเพื่ออนาคตชาติเป็นอามิ t h ทั้งนั้นแหละสะสมบุญเป็นกิเลสทำบุญตามบุญไม่ใช่บุญมันเป็นกิริยาในการทำบุญเฉยแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยนะ อั น, นี้ก็ต้องเข้าใจไหนๆจะทำบุญแล้วก็ให้มันเกิดบุญให้มันเป็นบุญนะแต่อย่าอยากได้บุญนะอันนี้เมื่อกีนเราเสียเวลาเปล่านะอย่างเรื่องบุญเนี่ยพ่อครูเคยเคยพูดไม่รู้พูดกี่ครั้งลนะมาหลายปียีป่ปีไม่รู้ว่าพูดอะไรไปบ้างนะแต่บางครั้งก็ญาติที่ทำมาใหม่มาใหม่มาใหม่บางทีก็ต้องนับหนึ่งใหม่แล้วแต่ขึ้นอารมณ์ วันนี้ยังไม่นัดหมายอยู่ๆกลางวันคุยอะไรปุ๊บเปิดอันนี้เปิดอันนี้ให้ญาติทำรรดูหน่อยหนึ่งก็เปิดอย่างน้อยๆ น, นานๆเราก็มาเตือนสติอย่างหนึ่งอย่าหลงไปติดสุขในฌานบางทีอดีตชาติเราก็ฝึกเข้าไปในฌานมาแล้วพอนั่งเบี่ยงไปเบ่ยงมาปุ๊บมันก็ดิ่งเข้าไปเลยมันเป็นอนุสัยเดิมเราน ะ, ะมันก็เหมือนหนีเข้าไปในถ้ำเราได้พักผ่อนชั่วคราวนะแต่ถ้าไปอยู่ทรงนั้นนานๆนะไม่ได้อะไรเลย จิตไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเราหนีทุกข์แค่นั้นเองเนี่ยติดสุขในฌานนะก็เราต้องเข้าใจว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาปฏิบัติศาสนาเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรต้องชัดเจนนะเป้าหมายเพื่ออะไรนะวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทําไม่ดีคนทําดีแค่ไหนก็ไม่ดี ถ้าเป้าหมายในการทำไม่ไมดีอย่างพระคุณเจ้ารูปนี้เนี่ยท่านเป็นคนดีไหมต้องต้องยอรับว่าดีเป็นคนตั้งมั่นสู้ตายสามปีก็นั่งคนดีคนรับผิดชอบถือว่าเป็นคนดีถ้าไม่ได้ทำอะไรชั่วอะไรเป้าหมายท่านดีไหมพอ ก, กูเชื่อว่าต้องดีเห็นไหมสังฆราชน้อยก็บอกว่ามันเป็นทางไปสู่นิพพานน่แหละเป้าหมายเขามีนิพพานเป็นเป้าอยู่ แต่เขาเอาอุบายเรื่องโพธิสัตว์นะเป็นว่าทาดีเป็นโพธิสัตว์ก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยโพธิสัตว์ก็คือทําดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสพอบารมีถึงจุดหนึ่งเลี้ยวเข้าไปนิพพานหมดเลยท่านเป็นคนดีเป้าหมายท่านดีแต่วิธีการท่านไม่ดีท่านลงไปหลงติดสุขในฌานเห็นหบางทีเจอวิธีการดีแล้วแต่คนไม่ดีคือคนขี้เกียจ กก้ากลัวเบื่ออยากทำตามอารมณ์อันนี้วิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดีเห็นไถ้าวิธีการดีด้วยคนทำก็ดีด้วยอันนี้ใกล้อยู่แต่ถ้าเป้าหมายบอกว่าฉันอยากเป็นผู้วิเศษนี้เป้าหมายมันไม่ดีเราก็ไปหลงติดอภิญญาเหล่านั้นโดยเฉพาะแนวเราต้องระวังแนวที่เราทำอยู่เนื่องจากมันไม่มีแนว ไม่มีข้อบังคับอะไรเลยเนี่ยต้องระวังนะเดี๋ยวมันจะไปหลงติดง่ายๆแต่ถ้าเรากลัวมันจะเป็นหลงติดเราจะไม่กล้าไม่กล้าไเปเผชิญความจริงไม่กล้าไปเผชิญความจริงกรรมที่เราสร้างมาเราก็หนีมันมันก็อยู่ตรงนั้นนี่เหมือนเก่าอีกหลายชาติถ้าเรามีนิพพาน เ, นเป็นเป้าแล้วเราไม่กลัวอะไรลุยแต่ลุยอย่างตั้งมั่นนะจังตั้งมั่นไม่หลง ปิญญาดีแค่ไหนหูทิพตาทิพเวียงทิ้งสวรรค์เวียงทิ้งนรกเวียงทิ้งดีเวียงทิ้งชั่วเวียงทิ้งไม่ใช่เวียงความดีทิ้งนะเวียงความติดดีทิ้งเวียงความยึดมั่นถือมั่นทิ้งเวียงความหลงที่เราจะไปติดมันทิ้งถ้าเรามิไม่มีที่พานเป็นเป้าแล้วเนี่ยเราจะถูกกระแสกรรมเรามันหลอกมันมาในรูปของนิวรณต่างๆมาในรูปของมารต่างๆ มันตัวใหญ่ที่สุดก็คือพวกไอพิญญาต่างๆนี่แหละร้อยกับไม่ใช่ร้อยทั้งร้อยหรอกร้อยกับน่าเก้าสบเกใครๆก็ติดมันเพราะมันพิเศษนะอาจารย์ยึดก็ถามระคุอยอีกเรื่องหนึ่งไอการที่เราใช้เครื่องรางของขังอะไรเนี่ยเพราะอาจารย์ยึธเคยประสบการณ์ที่หนึ่งนะเออ ไปทำกิจวุตะที่เชียงรายอะไรอะไรท่านมีคุณวิเศษอย่างหนึ่งคือเจอผีบ่อยๆเป็นคุณวิเศษอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ไม่ใคุณวิเศษเนี่เจอผีไม่ได้นะนะวันนี้ก็เป็นคุณวิเศษอย่างหนึ่งเจอผีบ่อ ย, อยๆเลยกลัวจนมันเลิกกลัวแล้วบางมีเที่ยวหนึ่งว่ากลัวจนเกิดอาการแบบจะวูบกูตายแน่ๆเลยนะอยู่ๆผ้าที่ห้อยคอนเกิดแสงขึ้นมา ดึงกระชากให้เขาออกมาจากอารมณ์นั้นนะก็เหมือนดีไงเหมือนดีเลยเพราะว่ามันช่วยให้เราออกจากอารมณ์นั้นได้ก็ไม่ใช่ไปว่ามันไม่ดีมันดีทั้งนั้นแหละแต่มันดีระดับไหนมันแก้วิกฤตเราในช่วงนั้นแต่มันก็ไม่ใช่ทางผลทุกข์ถ้าเราพึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่มีวันพึ่งตัวเองได้เราจะไม่มีวันเข้มแข็งผู้เจ้าบอกอัตตหีอัตโนนาโถ เหมือนเราเด็กๆฉันไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องหาเงินหรอกพ่อแม่ฉันรวยจะไปไหนขอเงินหน่อยขอคืนหน่อยถ้าเกิดวิกฤตมาพ่อแม่เจงเราตายเลยนะถ้าวันไหนเดินทางออกจากบ้านอุ้ยลืมเอาพระเครื่องไปด้วยเนะี่ยสั่นเลยนะกลายเป็นคนไม่เข้มแข็งเลยพ่อครูละหนึ่งในนั้น สมัยเล่นการเมืองเนี่บกแล้วไม่ใช่นักเลงแต่นักเลงเรียนพี่เด็กพี่เราคิดว่าเราเก่งนะแต่ลึกๆนี่ขี้กลัวกลัวตายเหมือนกันแหละนะพระเช่าแพงแค่ไหนก็เช่ามาแขวนจนหนักคอหมดนะออวันไหนลองลืม อ, ออกไปดูเนี่ยเฮ้ยชักไม่แน่ใจเราจะไม่มีวันเข้มขังนะมันเป็นแค่อุปทานอย่างหนึ่งทำให้จิตเราอุ่นใจนะ คือคือถ้าเราศรัทธาสิ่งนั้นน่ะมันเกิดผลสำหรับเรานะมันเหมือนเกิดผลเลยนะมันเป็นอุปทานอย่างหนึง่งแต่ว่าเราจะไม่มีวันเข้มแข็งหลังจาก ว, วันวินาทีที่สามชั่วโมงนั้นพ่อคูเกิดอาการระเบิดปึ๊บนะอัญเชิญพระนั้นน่ะขึ้นไปบนหิง้งฝ佛ใจหลิงสานพระอยู่ในภูเขาจิตเมื่อจิตเราพลิกฟื้นเป็นพระแล้วเนี่ย เราไม่ต้องพึ่งอะไรทั้งนั้นแหละผีมันก็ไม่กล้ามาหาเรา น, นีมันกลัวมากอันนี้คือพระจริงๆนี่ละคืออัตตหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนส่วนในเรื่องนั้นเรื่องนี้กลายเป็นว่าเหมือนเหมือนหลอกเด็กๆอะ่ะอยากให้มันเป็นคนดีเป็นธรรมดีนะเออจะให้ขนมมันอะไรนี่นะให้มันยึดอะไรชักอย่างหนึ่งมันจะเรู้สึกอุ่นใจ นะวันนั้นก็พูดถึงเรื่องหลายลทัทธิศาสนาพอเขาตกใจปุ๊บมายกอดกอดเฮลม่พระเจ้าช่วยด้วยอันนั้นพุทธานุสติเหมือนเราตกใจปุ๊บพุทโธพุทโธพุทโธมาเกาะพุทธเจ้าไว้แล้วก็ลืมอารมณ์นั้นมันก็เหมือนช่วยเราได้คือเราดึงออกจากอุปทานที่เรากลัวที่เราตกใจมันก็ช่วยเราได้ดับหนึ่ง แต่ถ้าเรายังไม่พึ่งตนเองเนี่ยนะเราจะไม่มีวันเข้มแข็งอาการตกใจอาการกลัวมันก็ยังอยู่เหมือนเก่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่กล้ากล้านะเพราะพระ อ, องค์ไม่ได้หลงาศาสนาที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ย ต, ตอนนี้ยังถกกันอยู่นะผู้เจ้าตั้งจริงๆหรือเปล่ า, าศาสนาพุทธหรือว่าหลังจากพุทธาศาสนาถึงจะตั้งอะไรนี่ก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องสาระ พระ อ, องค์ก็ไม่ได้หลงว่าต้องให้าศาสนาพระ อ, องค์เป็นเหมือนไสยศาสตร์เหมือนยิ่งใหญ่นะต้องสอนว่าถ้าใครนับถือาศาสดาเนี่ยาศาสดาจะช่วยเหลือเราถ้าไม่ฟังศาสดาศ า, ดาสาศาดาจะลงโทษเธออะไรพวกนี้เหมือนเหมือนหลอกเด็กๆให้มันกลัวนี่นะอันนี้นพระเจ้าไม่ทรงกระทําอย่างนั้นพระ อ, องค์พูดบอกว่าทรงตัดบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เรก อย่าพึ่งเชื่อตำลาอย่าพึ่งเชื่อคำเล่าขานเห็นไหมมีศาสนาใดบ้างกล้าพูดอย่างนี้เขาไม่กล้าเขากลัวคนในศาสนาหนีหมดไงแต่พุทธศาสนาไม่กลัวไม่ต้องการปริมาณดอกบัวสี่เหล่าพราะองค์ทรงชี้ทางให้เฉพาะเหล่าที่มันจะพ้นน้ำนอกนั้นต้องเป็นไปตามกรรมใครก็ช่วยไม่ได้ เราไม่ใช่ตั้งลัทธิศาสนาเพื่ออะไรเพราะต้องการมวลชนเพื่อทำศึกสงครามนะพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นพุทธศาสนาเนี่ยต้องการให้ทุกคนเกิดปัญญาด้วยตัวเราเองเมื่อจิตมีปัญญาแล้วเนี่ยเขาจะรู้เองว่าอะไรควรแบกอะไรควรวางเขามีปัญญาแล้วว่าเฮ้ยอ้ น, นี้มันก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เขาก็วางวางแล้วก็ว่างว่างแล้วก็สงบ สงบแล้วก็ไม่ทุกข์ไงไม่ได้สอนให้เราเป็นผู้วิเศษนะไม่ได้สอนให้เราเป็นผู้รู้มากนะสอนให้พวกเราเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเราเองนะนี่คือความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนาเพราะครูจึงพูดคําว่าไม่ลังเลสงสัยเลิกนับถือพระพุทธเจ้าทันทีวินาทีที่มันระเบิดเพราะคําว่านับถืออย่าไป บูชาถวายชีวิตไม่ใช่พูดแค่สะใจพูดตามมลรมยี่สิก ป, ปีที่ผ่านมาไม่มีเมตแต่หนึ่งวินาทีที่จะไปคิดนอกจากนี้ชีวิตเราไม่ใช่เรื่องทำเล่ น, นกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐถ้าเรามีทิปพยจักษุนี่มีตาทิปนี่เราจะหนาวเลยนะตอนนี้นั่งข้างตัวเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ ไม่รู้ว่าเทวดาเปตรตสูรลกายนี่นนะเขาต้องการเกิดมาแทนเรานะเทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุกนะไม่ให้เขาหลอกเราทําบุญทําบุญไปอยู่บนสวรรค์อะไรไม่จําเป็นอย่าไปนะเราอยู่ข้างบนนั้นหลายรอบแล้วนะเสียเวลาชีวิตในวัฏฏะสงสารเราพอเสพกรรมดีหมดแล้วเนี่ยวันแรกเกิดมาวันแรกเป็นลูกเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน ก็แหกบากร้องเหมือนเก่าเทวดาร้องให้ทำไมทำไมไม่หัวเราะสวรรคสมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติยังอยู่ในวัฏสงสารสามโลกธาตุนี้ยังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เรามาปฏิบัติเจริญมรรคจิตเนี่ยเป้าหมายคืออริยสมบัติผู้เจ้าบอกเป็นทางทางเดียวที่จะพ้นทุกนะเป็นทางทางเดียวแต่มีหลายอุบายวิธีหลายเทคนิค รักชอบอย่างไรก็ทําให้มันจริงๆจังๆอย่าไปเถียงกันว่าของฉันดีกว่าของเธอของเธอดีกว่าของฉันถ้ายังมีของฉันของเธออยู่ไม่ใช่พุทธศาสนาของกูของมึงผู้เจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะลัทธิฉันลัทธิเธอตั้งแบรนด์เนมแข่งกันแบบนี้นะท่านสอนอย่างนี้เหรอไม่ได้สอนแต่อย่าไปทะเลาะ ก, กันเพราะฉนิตไม่เหมือนกันรักชอบอย่างไรก็ทำแต่ไม่ใช่สึกแย่งชิงมวลชน ตอนนี้โลกทั้งโลกทะเลาะ ก, กันเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะทุกคนรักศาสนาตัวเองมากๆจนหลงศาสนาว่าศาสนาอื่นไม่ดีเห็นไมใครนับถือไหว้พระอิฐพระปูนะกูระเบิดกูยิงทิ้งหมดเพอาะิงของเขาทิ้งเขาก็โกรธไงก็ทะเลาะ ก, กันไงเห็นไหมคือตอนนี้เนี่ยแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น ผู้เจ้าดำริให้สาวกจาริกออกไปประกาศพรหมจันทร์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งไม่ใช่ประกาศศาสนาแต่การจันโลงศาสนาเนี่ยโดยประกาศพรหมจันทร์ไม่ใช่ประกาศศาสนาคําว่าศาสนาเนี่มันง่ายนักเหลือนะเธอต้องมีประเพณีวัฒนธรรมแม้กระทั่งศาสนาพุทธเองยังมีมหานิกายไม่มี ยังแยกเป็นหลายๆลัทธินิกายเห็นไหมล่ะเพราะจริตมันไม่เหมือนกันยังขัดแย้งกันเองเลยยังจะไปสู้กับศาสนาอื่นโลกนี้มันจะไม่สงบถ้าเราฟังคำพระพุทธเจ้าเนี่ยให้รู้ให้เข้าใจเนี่ยประกาศพรมจันย์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้ศาตร์โลกทั้งหมดไม่ได้แยกว่าศาสนาใดลัทธินิกายใดนะ ไม่ใช่ประกาศให้เขามานับถือศาสนาเราทำตัวแบบเราเขาเป็นฝรั่งก็ให้เขาเป็นฝรั่งเขาเป็นคนไทยก็เป็นคนไทยเขาเป็นขมิก็เป็นขมนิวัฒนธรรมก็เป็นอย่างนั้นนะ่ะแต่ทุกคนมีสิทธิ์พ้นทุกได้หมดขอส่งให้เขาไปในจิตนั่นแนหะประกาศภมจันท์ชี้ทางพ้นทุกทางพ้นทุกมันอยู่ในจิตมันอยู่ในจิตทำอย่างไรเนี่ยให้เข้าไปสู่ในจิตเดี๋ยวจิตเดิมนี่จะมาช่วยจิตปัจจุบันเอง ทุกคนทำได้หมดมันไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่คำสอนนี้มันเป็นของพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราไปขัดแย้งกับศาสนาอื่นเห็นไหมอันนี้ทะาลอกบ่แววงกันศาสนากันเองตอนนี้เล่นกันเองเลยล่ะด่ากันไปด่ากันมาแล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็ไปสู่นรกสิมันแรงนะตอนนี้ภาษาพระกูมันแรงขึ้นทุกวันนะไม่ใช่คิดอยากจะพูดฮะ บางทีตัวเองยังถามเลยว่าให้ทำไมมันพูดแรงจังพราะขึ้นมันแรงไงเห็นไหมเหมือนตอนนี้จิตเรามันเป็นกิเลสเยอะๆเนี่ยนะเหมือนอาจารย์ชื่ออะไรล่ะอที่นั่งนั่งกรรมาฐานเนี่ยนะเห็นไหมสมมติว่าท่านหลงอยู่เนี่ยนานาหลงอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมล่ะถ้าไม่มีเสียงอะไรๆท่านท่านจะตื่นหรือเปล่าเห็นไหมบางคนนี่ อะไรนะสับสนชีวิตกูจะฆ่าตัวตายกูจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวมันคิดนอกกรอบไม่ได้เพราะมันจมดิ่งอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมถ้าไม่เอาน้าาสตอามันไม่เอาค้อนยางตีหัวมันแรงๆเนี่ยมันไม่ตื่นนะคือตอนนี้เนี่ยคนทุกวันนี้มันแรงการดิ้นรนมันแรงความทยานอยากมันแรงถ้าจะไปเอาไอ้วิธีต้มๆเตีมๆ เ, เหมือนเก่าเนี่ยมันสู้กาลัง ความอยากตัว น, นั้นไม่ได้เราต้องเข้าใจว่าเออแล้วทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดที่ศูนย์นี้เวอร์ชั่นตั้งแต่เช้าสายบายย่ายนี่ทำทําไมทําไมต้องทําแบบนี้ปฏิบัติทำนั่งเฉยๆได้ได้ไหมได้ตํารวจไม่จับนี่นั่งสามปีไงอันนี้สามปีแบบสามปีไม่หยุดเลยนะแต่ยี่สปีที่ปฏิบัติมาก็นั่งนั่งไม่นั่งก็ทำกิจกิจของสงฆ์อยู่แล้วอยู่ในกรอบจนได้รางวัลสังฆราชน้อย พิสูจน์แล้วว่าท่านไม่ใช่เป็นคนไม่ดีแต่วิธีการมันดีไหมเห็นไหมล่ะวิธีการอะไรก็ช่างที่เป็นหลงติดนี่แหละถ้าเรารู้ว่าวิธีการไหนดีแม้กระทั่งที่เราทําอยู่เนี่ยถ้าไปหลงติดก็คือไม่ดีพราะครูจึงให้เครื่องมืออย่างหนึ่งไม่เคยกล้าสอนอะไรเลยนะไม่ตั้งคําบริกรรมด้วยไม่ตั้งชื่อด้วยชีวิธีพ่อครูเป็นอย่างไรวิธีพ่อครูคือไม่มีวิธีไอ้ที่ไม่มีวิธีคือ สิ่งที่เราทำอยู่วิธีพ่อครูไม่มีวิธีต่างคนต่างทำไม่ต้องบังคับว่าต้องทำแบบไหนนะแนวทางของเราคือไม่มีแนวทางถ้าตั้งเป็นตายตัวปุ๊บมันเป็นลัทธินิ่กายถ้ามีวิธีตายตัวเนี่ยอาจจะทำถูกวิธีคนนี้อาจจะทำไม่ถูกวิธีมันจะมีถูกมีผุดมีมีผิ ด, ม, ม, ผดมีดีมีชั่วนะมันไม่มีวิธีไม่มีวิธี นะทุกคนเดินไปตามจิตของตัวเองเราฝึกมาหลายชาติเราฝึกวิชาไม่เหมือนกันเราสะสมจริตไม่เหมือนกันจะเอาความคิดแบบตักกะเอาวิชาตายตัวบังคับให้ทุกคนเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดเราไม่เข้าใจเรื่องจิตเราไม่เข้าใจเรื่องจิตนะจิตจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นนานาจิตตังมันไม่เหมือนกัน นะต้องทุกคนดําเนินเองอย่าไปอย่าขยันจะไปถ้ายังไม่ทะลุป้องเนี่ยอย่าไปหลงตัวรู้ตัวเองนะไปยัดเยียดคนอื่นจะไปบอกคนอื่นทําตามเรานะสร้างกรรมโดยไม่รู้เรื่องสร้างกรรมโดยเจตนาดีแต่ประสงค์ลายเพราะเราไม่รู้วาลาจิตเขาเนี่ยว่าจิตเขาเนี่ยจะริตแบบไหนพราะครูยังไม่กล้าทําเลยนะ เราอย่าไปหลงเห็นไหมเพราะเราหลงสภาวะธรรมเราเราทำมารู้สึกเราก้าวหน้าเราก็หวังดีเราก็อยากจะเอาก้าวหน้าเราไปบอกคนอื่นทําตามเราอันนี้ผิดแล้วทําไมถึงผิดเพราะมันหลงแล้วไงวิธีไหนก็ช่างถ้าไปหลงติดมันก็คือผิดเใช่ไหมมันไม่มีวิธีตายตัวแม้กระทั่งจิตเราเองจิต ด, ดวงนี้แนะ่ะตอนเช้าก็อีกแบบหนึ่งตอนบ่ายซ้อนสายอีกแบบหนึ่งอารมณ์มันเปลี่ยนตลอดเวลา มันก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเวลานั้นไม่ใช่ไปยึดมั่นถือมั่นกับวิธีนั้นยกตัวอย่างเราฝึกไท่เก๊กฝึกชี้กงฝึกโยคะเออท่านั้นข่าขาชี้ฟ้าเออท่าลือศีดัดตนก็ช่างเออท่านี้เนี่ยคุณประโยชน์มันคืออย่างนี้อย่างนี้สพราะว่าท่านี้ทําให้ลมปานมันเดินไปทางซ้ายใช่ไหมแต่บังเอิญตอนนั้นลมปานเรามันกำลังเดินไปทางขวามันก็ไปขัดแยง้ง ก, กันกับท่าที่เราไปกําหนด เพราะสมองเรามันไม่รู้จิตมันไม่รู้ข้างในมันเป็นยังไงนั่นแหละเราเอาวิชาการที่เราไปเรียนรู้มาทิละท่าเหมือนคนจริงก็ฝึกไ ท, ทเก็กนะฝึกไปฝึกมาทิละท่าพอมันทะลุป้องปุ๊บมันจะเข้าไปสู่บอเก็กคือไรถวบนท่าอิสระมากตอนนั้นจิตมันดำเนินอย่างอินไซเอา มันจะรู้ว่าร่างกายเราเวลานี่ลมปานมันเดินไปทางขวามันก็ส่งเสริมให้ทางขวาแหลงขึ้นมันไม่ขัดแยง้งอันนี้คือภูมิปัญญาของจิตแต่ถ้าเราใช้ความรู้ของสมองที่เราไปฝึกวิชาแต่ละท่าแต่ละท่านั้นบางทีมันขัดแย้งกับลมปานข้างในเราเพราะเราไม่รู้สิ่งที่รู้เรามากที่สุดคือจิตเราเองพูะเจ้าถึงสอนให้เราเข้าไปในจิตในจิต ปลดปล่อยจิตปัจจุบันที่มันหลงติดกับหัวใจเนี่ยจิตใจจิตใจใจมันดึงจิตเราไว้เนี่ยปลดปล่อยมันให้เข้าไปสู่จิตในจิตแล้วจากนั้นไปเนี่ยให้จิตเดิมเราเลือกอาจารย์เราจริงๆนั่นละเขาจะเอาปัญญาของเขาเนี่ยมาต่อ ย, ยอดให้จิตปัจจุบันร่างกายปัจจุบันก็เป็นเครื่องเครื่องมือของเขาดำเนินไปเรื่อยๆดาเนินไปเรื่อยๆรู้เฉยเฉย ไม่ต้องอยากรู้นะถ้าอยากรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะหาคำตอบพอรู้ปุ๊บมันจะรู้สึกดีใจถ้ามันอยากรู้แล้วมันรู้ปุ๊บมันจะรู้สึกดีใจมันมีอามิตรแล้วมันจะรู้สึกดีใจอันนี้ช้าเกินไปแล้วเวทนาเกิดขึ้นแล้วนะที่ว่ารู้ตื่นเบิกบานถ้ารู้เฉยๆมันจะตื่น เพราะมันไม่มีความกังวลจากไอ้ความรู้สึกเวทนาดีใจเสียใจเลยมันจะเบิกบานถ้ารู้เฉยๆเพราะว่ามันไม่ถูกบ่วงอะไรดึงไว้เลยความอยากรู้อยากเห็นก็ไม่มีนะรู้เฉยๆแต่ทีนี้กิเลสเรามันถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยนะมันต้องรู้สิต้องไปแสแวงหาความรู้ต้องเข้าห้องสมุดต้องเข้าห้องแลบต้องเข้า เว็บไซต์ตอนนี้ต้องไปหาองค์ความรู้นะนั่ความรู้แบบลกโลกคําว่ารู้ตื่นเบิกบานของเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยก็คือเราเดินเราก็รู้มันเคลื่อนไหวเราก็รู้ไม่ใช่ว่าไปกําหนดให้รู้กําหนดให้รู้คือมีความอยากรู้แล้วถึงกําหนดรู้สมถะกรรมฐานคืออยากสงบไงก็มีการกระทําโดยที่กําหนดให้มันเกาะโน่นเกาะนี่ที่เกาะ ขวาเกาะซ้ายเกาะลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะก็ไม่ต่างอะไรที่เราพึ่งสิ่ศักดิ์สิทธิ์นะั่นแหะนะตกใจมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธให้มันลืมความตกใจมันก็สงบเนก็ไม่ได้ผิดเหมือนเราปวดหัวจริงๆยังไงก็ปวดหัวมันไม่หายปวดทํางานไม่ได้เราก็พึ่งยาพารามันก็ดับปวดอย่างเท่าชั่วคราวเห็นไหมแล้วก็คิดอีกคิดอีกมันก็ปวดอีก กินยาพาราอีกกินไปกินมาเม็ดหนึ่งไม่พอต้องสองเม็ดมันก็ดื้อยากินไปกินมาก็มีสารตกค้างก็เป็นมะเร็งตอนนี้เราแก้ที่ปลายเหตุนะถ้าเราเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เข้าไปในเริ่มจากกายในกายเวทนาเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเมื่อเข้าไปในจิตในจิตแล้วรัวบไิเสพธรรมลมเนี่ยที่บันทึกในจิตใต้สํานึกเราในรูปของกรรมดีกรรมชั่ว บารมีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบอยู่ในนั้นหมดเราไปเรียนรู้ตรงนั้นฝ่ายบวกเอามาต่อยอดนะฝ่ายลบจ่ายหนี้กรรมไปเห็นไหมร้องอดควรในกรรมฐานเห็นไหมเหมือน เ, เอาจิตนี่ไปยอมรับหนี้กรรมที่เราสร้างไว้ทั้งกรรมดีกรรมชั่วทั้งมีความรู้สึกดีรู้สึกรู้สึกสุข ก, กับทุกข์กัชั่งเหวียงทิ้งเวียงทิ้งคืออย่าไปติดมันนะอย่าไปติดมันไม่ใช่รังเกียจมัน ไม่ใช่ผักสายไล่ส่งมันเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะไปหลงติดมันทิ้งเหมือนเรามีหน้าที่ยิงเป้าบินนั่นแหละไม่ใช่เรายิงมันเพราะหลังเกลียบเป็นหน้าที่เรายิงยิงยิงเมื่อเราฝึกปุ๊บเนี่ยต่อไปเ้าด่าเราก็ทบปุ๊บมันยิงอัตโนมัติเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรายิงไม่ทันเนี่ยเสียงด่าคือรูปได้ยินเสียงคือนามมันเกิดมันก็ดับแต่เราไม่เห็นตอนมันดับ รูปเกิดปุ๊บกระทบภาษาปุ๊บเวทนาเกิดลงใจแล้วเขาบอกว่าลงใจแล้วนะกระทบใจเลยเห็นหมมันก็บันทึกสัญญาใหม่ว่ามันด่าเราไปสปา ก, กับสัญญาเดิมที่บันทึกไว้ว่าเราไม่ชอบถูกด่าเราเกียดมันเป็นเดิมพันอยู่แล้วสังขารเกิดคิดปรุงแต่งแล้วเธอด่าฉันฉันเสียเปียบไม่ได้ฉันต้องด่าคืนวิญญาณเกิด นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เกิดแล้วภายในหนึ่ ง, งวินาทีหนึ่งวินาทีของโลกขันห้าปุงเรียบร้อยแล้วการสร้างกรรมก็สมบูรณ์ทั้งทั้งที่พวกเรา ร, รู้รู้ทั้งรู้รู้ทุกคนมีใครบ้างไม่รู้ว่าการด่าคนเป็นคดเป็นสิ่งไม่ดีเป็นวจีกรรมทุกคนรู้เห็นไหมเขาด่าเรามันทําให้เราเจ็บรู้อย่าเห็นไงเห็นอเลยไงมันด่าเราไม่ดีเลยมันทําให้เราเจ็บ แต่เรากลัวเสียเปียกไงเราก็ด่ามันคืนแล้วก็กลายเป็นคนไปดีเหมือนมันหมาเห่ามาโกรธมากเหาคืนมันเราก็กลายเป็นหมาเหมือนมันไม่ใช่เราไม่รู้นะเรารู้หมดเรารู้หมดปฏิสบุตรบาตรอริยบทสีเอ้อริยสัจ ส, สีมารู้หมดรู้หมดมันเข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้มัวแต่ท่องจําอยู่ตรงนั้นแหละ ทำให้มันเข้าถึงอริยสัจสี่ให้จิตมันเข้าถึงจริงๆแล้วต่อไปเวลาเราที่เหลือเนี่ยมันเป็นอริยสัจสีด้วยตัวมันเองนะเพราะเกิดเหตุอะไรมันไม่หลงที่ปลายเหตุมันจะรู้ที่มาที่ไปของมันเลยมันเป็นออโตเมติกมันเป็นอัตโนมัตินะก็วันนี้ใช้เวลาเล็กน้อยนะก็อันนี้เป็นตัวอย่าง ไม่ได้ฉายให้รู้ว่าท่านเป็นคนไม่ดีท่านทําอะไรที่ไม่ไม่ถูกต้องไม่ใช่แต่ถ้าเราไปหลงติดอะไรก็ช่างแม้กระทั่งเข้าไปในจิตในจิตอย่าว่าปลอดภัยนะอุ้ยไปไหนไปเจริญกรรมาฐานไปเจริญวิปัสสนาเอปลอดภัยแล้วระวังในถนนเส้นนี้ในวิปัสสนามันก็มีวิปัสสูกิเลสอย่าประมาทเขาประเมินเราตลอดทุกๆุ ลมหายใจเข้าออกผู้เจ้าใช้คำว่าอย่าประมาททีนี้พ่อครูให้เครื่องมืออย่างเดียวเท่านั้นคือเวี่ยงทิ้งเวี่ยงทิ้งไม่ใช่คำบริกรรมคำว่าเวี่ยงทิ้งตัวมันเองก็เวี่ยงตัวมันทิ้งเป็นเป็นกิริยาเป็นกรดเตือนให้จิตเราอย่าไปติดมันให้รู้เท่าทันอารมณ์หมดเบี่ยงทิ้งเบี่ยงทิ้งเบี่ยงทิ้ง เหมือนเราเข้าไปในเสพมันน่ะเหมือนเราโดดลงไปในน้ําเราก็รู้เห็นไหมน้ํามันเย็นมันร้อนแค่ไหนเราก็รู้แค่นั้นก็าสักแต่ว่ารู้อย่าไปเสพมันถ้าเสพมันปุ๊บเนี่ยโอ้เย็นสบายความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมบางคนเย็นแล้วก็สบายนะแต่เขาโอ้เย็นมากเกินไปตัวสั่นหนาวเลยก็ทุกข์อีกเห็นไหมมันจะเกิดความรู้สึก แต่ถ้าเราโดดลงไปน้ํากับเราเป็นหนึ่งเดียวกันเน่ยเวลานั้นเป็นหนึ่งเดียวกันไม่พิจารณาไม่ตัดสินแต่เราว่าพิฏิเสธได้ไหมว่าเราไม่รู้รู้มันเย็นมันร้อนกัรู้ก็สัตว์แต่ว่ารู้นะมันพัดแรงแค่ไหนกระทบปัสสะก็รู้รู้แค่นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้แค่นั้นเนี่ยเราก็ไปพิจารณาอีกมันแรงมันเบา ชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์ก็ตามมาเห็นไหมเราชอบปรุงแต่งเราไม่สักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าได้กลิ่นสักแต่ว่าลิ้มรสสักแต่ว่ากระทบผัสสะสักแต่ว่านี่คือไม่ใช่เรื่องผัสสะอย่างเดียวนะเป็นอายทนะ วิปัสสนากรรมฐานมันเริ่มต้นจากสมมากรรมฐานเข้าไปสู่วิปัสสนากรรมฐานได้นะบางคนแย้งว่าอายตนะนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายะทั้งหเป็นเรื่องส่วนของกายใช่มันเป็นชื่อเรียกประตูหกช่องประตูของเราเนี่ยของกายแต่มันพัฒนาเข้าไปสู่จิตในจิตได้นะเข้าไปสู่ธรรมในธรรมได้ ในขณะที่เข้าไปสู่ธรรมในธรรมแล้วไม่ใช่อยู่ข้างในอย่างเดียวนะอยู่ในฌานอย่างเดียวนะมันก็ลิงก์ออกมากายภาพด้วยเห็นไหมเคลื่อนไหวกายภาพด้วยกายเวชนาจิตธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวกลายเป็นมหาสติปัฏฐานเป็นสติใหญ่ซึ่งมีกําลังพอเพียงที่จะไปดึงเอาบรารมีเก่าเรามาต่อ ย, ยอดที่เราปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติมันไม่ได้หายไปไหนแต่ถ้าว่าเราไม่มีมหาสติปัฏฐาน ไม่มีสติใหญ่นี้เราไม่มีกำลังพอที่จะไปดึงตรงนั้นเข้ามาตอนนี้เราฝึกแค่อนุสติเหมือนเด็กเด็กเดินไม่เป็นก็หัดยืนตั้งไขนะ่สมาธิเดินทีละก้าวทีละก้าวนั่นคืออนุสติรู้ตัวทั่วพร้อมเอามาใช้ชีวิตประจำวันแต่มันไม่ใช่มหาสติมันไม่สามารถละลึกอดีตชาติได้ไม่สามารถไปดึงเอาอดีตบรารมีมาต่อยอดได้ ต้องเข้าใจว่ามหาสติคืออะไรนะสติปัฐานทั้งสี่ต้องบริบูรณ์ไม่ใช่ไปแยกซอยฐานกายฐานเวทนาไปนั่งดูจิตอะไรแบบนั้นอันนั้นยังเป็นการเจริญอนุสติอยู่นะปฏิบัติเยอะๆปฏิบัติเยอะๆยๆแต่เยอะต้องพอดีนะไม่ใช่เยอะจนทรมานสังขารไม่ใช่ความเพียรชอบนะพอดีพอดีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ไม่ใช่พอดีตามกิเลสนะกิเลสบอกไม่ใช่เกียรตว่าทำแค่นี้พอดีไม่ใช่พอดีจากความอยากนะมันจะทำเกินพอดีอยากไปนิพพานจนทรมานสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ทางสายกลางมันเป็นไม่ใช่ความเพียรชอบมันเป็นทุกกิริยาผู้เจ้าทดลองมาหมดแล้วไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ทางพ้นทุกข์คือพอดีแต่ทีนี้ ไอคนที่จะรู้ว่าพอดีของแต่ละตุคนเท่าไหร่เนี่ยมันก็ต้องใช้สติปัญญาของตัวเองนะไม่ใช่ใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์อารมณ์ดีใจกูก็ทําเยอะหน่อยหนึ่งอารมณ์เบื่อมากูก็ไม่ทําเลยนะไม่ใช่ทําตามอารมณ์เราต้องมีสติปัญญารู้ว่าแค่ไหนพอดีสําหรับเราพอดีของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคนตัวอ้วนใหญ่หน่อยก็กินมากหน่อย คนตัวเดียวน่ะกินน้อยหน่อยอย่าไปเปรียบเทียบเธอทำไมกินมากกินน้อยกินแค่พอดีกินมากไปเดี๋ยวท้องอืดก็ทุกกินน้อยไปเดี๋ยวหิวก็ทุกอีกพอดีนี่คือมัชชิมาปฏิปทาแล้วทีนี้วิธีเวี่ยงเราเนี่ยมันเป็นมัชชิมาอย่างไรในหูพ่อคูเลือกเสียงนะจริงๆแล้วรูป ก, ก็ได้รสก็ได้กลิ่นก็ได้เสียงก็ได้สัมผัสก็ได้เอาแบบนี้ก็ได้ มาเจ็บที่ขามารู้ที่ใจมันจะดึงกันระหว่างตัวผัดสะ ก, กับใจมันจะเกิดแรงเบี่ยงเหมือนกันแต่มันมีการกระทําเกิดขึ้นเราจะตีได้กี่กนาทีนะตีไปตีมาเดี๋ยวขาเขียวหมดเราเอายามาอมเนี่ยมาลิ้มรสที่ลิ้นมารู้ที่ใจก็เกิดหมุนนะแต่มันเล่นสติไม่ได้หลวงพ่อคงเนี่ใช้กลิ่น ไม่ใช่พุทธนะพุทธัอยู่แค่พุทธัลมหายใจสั้นก็รู้ยาก็รู้ถ้าวันไหนมันฟลุกนะมันยาไปชนหัวใจเมื่อไหร่มันก็หมุนเหมือนกันแต่มันฟลุกบางทีสี่สิบปีก็ไม่ฟลุกหลวงพ่อคงก็ดึงดึงไปถึงใจเลยมันจะดึงระหว่างจมูกกับใจมันจะเกิดแดงดึงกันขึ้นแต่ถามว่าเราจะทันอย่างนี้ได้กี่นาทีผู้เฒ่าผู้แก่ก็ทําไม่ได้เพราะกูลองมาหมดแล้วดมกลิ่นก็ได้ รวมหายใจคือกลิ่นไงพุทโธทคือกลิ่นอานาปณสติคือกลิ่นมันก็เข้าทางจมูกกระทบภาษาอยู่เนี่ยแล้วมารู้ที่ใจมันก็เกิดแรงดึงเหมือนกันสุดท้ายพวกครูเลือกเสียงมาเมกาใหม่ๆนี่ไม่มีไฟฟ้าที่นี่สิบเอ็ดปีพวกครูใช้ระฆังตีหมดตีตั้งแต่เช้าจนค่ำตีจนเที่ยงคืนบางทีคนไม่หยุดพ่กครูก็ไม่ต้องหยุดหนึ่งดวงจิตมีคุณค่ามาก ตีระครังตีระครังก็เสียงไงผู้ปฏิบัติไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเลยแล้วระครังตัวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยตอนนี้เทคโนโลยีมันมาแล้วมันมีไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยเราก็ใช้เสียงอะไรก็ได้เพราะคูไม่ต้องเสียเวลามาตีระครังเสียงอะไรก็ได้แต่เลือกเสียงที่ว่าเราไม่เข้าใจในย่ะไม่มีเนื้อหาของมันมีเนื้อหาเราเผลอเราจะไปติดมันอีกนะกระทบหูปุ๊บเนี่ย ธรรมชาติในวิญญาณหูเนี่ยมันจะลิงก์มากับมโนวิญญาณเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนจะเกิดเวทนาว่าดีใจไม่ดีใจพอใจเนี่ยแล้วก็วิ่งมาที่หูอีกมันก็ดึงระหว่างหูกับใจมันก็เกิดแรงเหวียงขึ้นเพราะมันหมุนขึ้นหมุนขึ้นเหมือนรถยนต์สตาร์ทเครื่องติดปุ๊บแล้วก็เปิดแอร์ได้เปิดวิทยุได้แต่เราใส่เกียร์ปุ๊บมันดับเพราะพลังมันไม่พอเราก็ต้องเร่งเครื่องต้องเร่งเครื่องเร่งสติหมุนวงล้อของธรรมจัติ ให้แรงเหวี่ยงมันมากกว่าแรงดึงดูดของความคิดของอิจตนะดีดเข้าไปสู่จิตในจิตเริ่มต้นก็คืออาณาปณสติแหละทําอานาทําอากาศตัว น, นี้ให้กลายเป็นปลานะขึ้นมาเกิดลมปราณถ้าไม่เกิดลมปราณแล้วจิตมันไม่มีพลังที่จะดุดออกจากใจมันถูกใจเราดึงไว้มีบางคนแย้งบะคูนะที่ประกาศตัวว่าเป็นอรหันต์อะไรอยู่ที่อังกฤษเขาบอกจิตมันจะดูดออกจากใจมันก็ตาย คนคนนี้แสดงว่าไม่เคยถอดกายทิพย์ไม่รู้เรื่องจิตเลยแล้วถอดกายทิพย์ออกไปอะไรน่เนี่ยหัวใจมันยังเต้นมันยังมีมโนวิญญาณอยู่แต่จิตมันออกไปจิตไม่เกิดไม่ดับแต่วิญญาณมันเกิดดับมันเป็นอุบายวิธีมันกระทบผู้เจ้าทึงบอกว่าบำพชิตไม่เสพส่วนสุดโต่งสองส่วนระหว่างของคู่ทั้งหมดในร่างกายเราคือข้างนอกกับข้างใน เราไม่มี อ, ยอยายตใจภายนอกไม่ใช่เรานะอะอายะใจภายนอกมันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์อันนี้เราดับมันไม่ได้มันมีตามธรรมชาติทีนี้ภายในเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คืออยายะใจภายในแต่ภายในมันแยกเป็นสองส่วนข้างนอกห้าข้างในหนึ่งข้งหอกข้างนอกคือตาหูจมูกดิ้นกายเป็นตัวรับผัสสารรับสิ่งกระทบแต่มันจะส่งเข้าไปรู้อารมณ์ที่ใจ ไอ้ตัวส่งไปนี่คือใครคือวิญญาณหนี่คือขบวนการทำงานของร่างกายมนุษย์สมมติเรานอนหลับกึ่งกึงหลับนะไอ้เด็กมันร้องเราได้ยินเสียงแต่เราไม่รู้เสียงอะไรมันต้องส่งเข้าไปในเว็บไซต์ในจิตจิตมันจําได้ไหมหรือว่าให้เสียงในแดงมันร้องถ้าเป็นฝรั่งบอกเสียงมิสเตอร์เรด มันบันทึกเป็นสัญญาเป็นภาษาต่างกันไอตัวที่รู้อะไรมันอยู่ในใจตรงนี้มันกระทบที่ใจถ้าสัญญานี่มันคนคนขี้หงดหงิดมันมันโกรธมากเลยมันร้องทําไมครูกำลังจะนอนเห็นไหมมันขบวนการทํางานเขาเป็นอย่างนี้ก่อนมันจะได้ยินเสียงที่หูปุ๊บมารู้ที่ใจก่อนมันจะเกิดรู้สึกว่าชอบไม่ชอบเราวิ่งหนีอีกมันก็ดึงระหว่างหูกับใจมันจะเกิดแรงเหวี่ยงขึ้น เมือเราหมุนลูกข่างเราต้องใช้สองนิ้วหมุนปุ๊บมันก็กรหมุนหมุนไปหมุนมามันก็นิ่งมันไม่ได้ฝึกสมาธิเลยนะมันทําไมนิ่งได้แรงเหวี่ยงนะั่นทําลายสนามแม่เหล็กหลังจากมันอิสระจากแรงดึงดูดทั้งปวงเนี่ยมันก็มันก็นิ่งนั่งคือเอกะตาลมแล้วมันก็หลุดออกไปไหวนิ่งหลุดจิตเราก็เหมือนกันเมื่อเราเหวี่ยงเต็มที่มันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยความคิด ดึงมันไม่ได้อารมณ์ที่ใจดึงมันไม่ได้เนี่ยมันก็ดีดเข้าไปสู่จิตในจิตขอครั้งเดียวเมื่อเข้าไปแล้วทีนี้เราเหมือนเราเปิดประตูบ้านได้แล้วแล้วก็เข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้อยากขี้เกียจเข้าไปปุ๊บก็ชำระล้างขัดเก่าจิตให้ผ่องใสเพราะมันสะสมความเปื้อนมายาวนานแล้วแม้กระทั่งความเปื้อนกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยที่เราสร้างมาในชาตินี้มันหมดกระจจางแต่ความเปื้อนด้วยกระแสกรรมมันก็ยังอยู่ เราก็ดำเนินไปเรื่อยๆจ่ายนี่กรรมไปเรื่อยๆเรียนรู้กับมันก็เกิดปัญญาปัญญาเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตไม่ได้เกิดจากการนึกคิดนี่คือขบวนการที่เราทำอยู่เพราะครูไม่บอกว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์วิชานิดเดียวเองซึ่งบังเอิญไปค้นพบความจริงในบางอย่างของธรรมชาติเท่านั้นเองมันคือธรรมชาติ แต่ทุกคน ก, ก็มีเครื่องมือไม่ไม่ต้องเชื่อพวกกูนนะลองทําดูสิลองทําดูทำไปนานๆเร า, นาก็เห็นว่าเออมันคืออย่างนี้สิ่งที่เราเห็นก็เหมือนกันผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเมื่อเราเห็นความจริงและความจริงคือจิตจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเข้าใจพระพุทธเจ้าสิ่งพระพุทธเจ้ารู้สิ่งพระพุทธเจ้าเห็น อีกกี่ล้านปีทุกคนเห็นตอนนั้นก็เหมือนเก่าเราจะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเข้าใจพระองค์สิ่งนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้ท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรล่าตถาคตนะพวกเรากําลังทําอยู่นะแต่ให้เข้าใจว่าคอนเซปต์เราทำพวกครูเลือกเสียงเพราะว่าเสียงมันเล่งได้เล่งได้ผู้ปฏิบัติไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาเสียงจั ก, กจั่นก็ได้ เมื่อเช้านี้พ่อกูเดินมาเตือหกโมงอาจารย์อ้อยก็เดินมาพอดีพอกูชอบคุยอาจารย์อ้อยในฐานว่าแกจะเป็นออกมาในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์พ่อกูบอกอาจารย์อ้อยจักระจันทร์เขาไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะเน่ยเขามีวินัยมากมันรู้เวลาลองพอร้อมกันนะแล้วมันหยุดพร้อมกันมันประสานเสียงกันอย่างวงโอเปร่าบางทียังพลาดเลยนาะเพราะอะไร เพราะมันมีคุณธรรมมันมีคุณสมบัติตามธรรมชาติคุณธรรมตรงนี้ของมนุษย์หายไปไหนหมดถูกความรู้ผิดครอบงามหมดแล้วคืออวิชชาแค่เอาวิชชาออกนะข้ามพ้นมานเนีย่ยคุณธรรมนี้มันจะแสดงตัวเพราะครูเห็นจากตัวเองในดีศินห้าบอกไม่ให้ทำอะไรทำหมดภาษามันไม่ทามันมีคุณธรรม ทานสานมีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปี่ยมแล้วศีลห้าพวกเราหายไปไหนหมดเรามีความรู้ผิดเนี่ยบล็อกไว้หมดเลยความรู้ผิดนันแฝงด้วยความโลภโกรธหลงมันก็อยากกินเหล้าอยากเที่ยวเตะอยากอยากอยากยากจนกบเกินคุณธรรมเดิมคุณธรรมคือคุณสมบัติตามธรรมชาติไม่ต้องสอนทุกวันนี้สอนกันเข้าหูซ้ายออกหูขวาคนสอนก็ไม่รู้ว่าคุณธรรมคืออะไรรู้แต่เรื่องวิชาการว่าต้องเป็นเด็กดีนะ ต้องเต้นเด็กดีเป็นสีแก่ตัวอะไรๆๆถามว่าคุณธรรมคืออะไรคนสอนจริยธรรมคุณธรรมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันไม่ใช่วิชาการจริยธรรมไม่ใช่วิชาการที่มาสอนกันมันเป็นจริยวัดซึ่งต้องทําตามปกติทุกวันตอนนี้กลายเป็นวิชาสอนไงไปท่องจําแล้วก็ไปสอบ น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟไฟนี้คือไฟลาคะโทสะโมหะที่มันกำลังเผาผล า, ผาเรามันแรงมากมัวจะมาสอนปลายเหตุเนี่ยนะเราให้พวกนี้มันเผาร่างกายแล้วค่อยเอาน้ำไปพรม ม, มมันดับไม่ได้มันต้องขุดลากถอนโคนนะนี่แหละพ่อคู่ยี่สบกปีนั่งดูความเปลี่ยนแปลงของโลกมาตลอดไอ้โปรแกรมนี้มันถึงเกิดขึ้น เหมือนมันแรงนะแต่ยังไม่พอยังไม่พอยังสู้กระแสะโลกไม่ได้นะกำลังหาค้อนอยางวิเศษหยุดตีหัวปึ้งบรรลุเลยหนะลวงพ่อกงน่าจะใช้ไม้ตีหัวในบรรลุดีกว่าไม่ใช่ให้เขาดีใจชัว่วข้าวนะท่านก็ทำได้แค่นั้นไงเ <laughs> ห็นมมันไม่มีแล้วมันไม่มีด้วยเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไ ป, น ป, นปนตามกรรม พ่อครูก็ทําเท่าที่พ่อครูทําได้พยายามจะเซตอัพโปรแกรมที่มันเป็นสากลที่สุดทุกคนทําได้ถ้าทุกคนอย่ากมิตรติมานะส่วนจะทําได้มากน้อยแค่ไหนอย่าไปแข่งกันแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้บุญวาสนาสะสมมาไม่เท่ากันไม่ต้องแข่งไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจไม่ต้องไปหลงตัวเองเหมือนกัน เรามีโอกาสเราก็เดินทางหลงป่าหาทางเดินออกจากป่าเป้าหมายคือออกจากป่าให้เร็วที่สุดส่วนมันจะถึงเมื่อไหร่ช่างมันเพราะเราหลงป่าเราคิดจนตายเราก็ไม่รู้ว่ามันเหลือระยะทางเท่าไหร่นะเรามีหน้าที่เดินเดินเดินเดินตื่นเช้ามาก็เดินเหนื่อยก็เดินไม่เหนื่อยก็เดินกลางคืนก็นอนพักตื่นเช้ามาก็เดินนี่คือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะ การทำหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความหลุดพน้นแต่ทีนี้กิเลสมันมันจะแย้งเราเออใช่หรือเปล่าวะอะไรหรือเปล่าวะอะไรก็เขาทำหน้าที่เขาอย่างซื่อสัตย์มันก็เป็นกรรมที่เราสร้างมันขึ้นมาเห็นไหมเราก็สักแต่ว่าได้ยินสิไม่ต้องเชื่อมนันเชื่อพระพุทธเจ้าแต่ตอนนี้เรากล่าวไหวพ้พระเจ้านะทุกคนกลาวนะแม้กระทั่งโจรมันหนีตำรวจมาที่นี่นะเห็นพระพุทธรูปยังไหว้เลยนะ แต่มันไม่รู้ว่าว่ายอะไรแต่รู้สึกว่าถ้ามันไม่ว่ายมันกลัวเท่านั้นเองมันยังมีเฮริโอตาปะระดับหนึ่งนะเพราะมันยังเกรงกลัวพระเจ้าอยู่แต่มันก็ไม่เชื่อพระองค์ถ้ามันเชื่อพระองค์ก็ไม่เป็นโจรไงมันว่าเฉยๆแต่มันไม่เชื่อพวกเราเหมือนกันต้องสํารวจว่าเราเชื่อพระองค์จริงๆไหมพระองค์บอกเราชัดๆเลยนะระวังนะระวังนะตัณหาคือที่มาของทุกนะระวังนะระวังนะทุกสมุทรไทยนี้โลดมากนะ ตัญหาคือที่มาของทุกข์นะแล้วเราเชื่อไหมเราสนองตัญหาทุกวันเลี้ยงมันทุกวันให้มันโตขึ้นเพราะเราไปเชื่อทุนนิยมไงเห็นไหมเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราก็ทุกข์สิไม่ใช่เราไม่รู้นะเรารู้หมดธรรมะไม่ต้องยุ่งว่าดูแค่สี่อย่างทุกสมูทไทยนี้โลนมากแค่นี้พอแล้วอะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางไปสู่การพ้นทุกข์พราะครูพูดอย่างนี้เป็นเรื่องเลยนะตอนนั้นแรงๆนะอยู่อเมริกาพราครูก็ อยู่ๆมันเกิดขึ้นอย่างพวาครูไม่รู้เรื่องพวกนี้นะมันพิจารณาเรียสัตวสีนะวินาทีเราเบิดแล้วมันตั้งโจทย์เลยเออเคยได้ยินมันทําไมจําได้ไม่รู้ไม่เคยอ่านหนังสือเลยนะนะเขาบอกทุกสมุทรไทยนี่โลดมากมันก็พิจารณาเอะนี่โรดมันก็นี่พ่านคือความดับทุกข์แล้วทําไมอยู่ก่อนมากล่ะก็นี่โรดแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไงทําไมเอามากอยู่ที่หลังเห็นไหม ใช่เพราะนั้นจิตพิจารณานะทุกคนต้องมีดวงตาเห็นธรรมก่อนจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมจิตเห็นจิตคือมรรคเราเข้าสูส่กระแสมรรคเราเห็นธรรมแล้ววินาทีนั้นเป็นนิพพานน้อยๆเราสัมผัสนิโรธแล้วเราถึงมีศรัทธาตั้งมั่นเชื่อมั่นว่า น, านิโรธมีจริงเวลาที่เหลือเราเนี่ยต้องอยู่ในมรรคในทางตลอดมรรคมีสองระดับมรรค เป็นช่วงที่เรากำลังเดินทางไปสู่นิพพานคือความดับทุกข์นะเป็นช่วงเดินทางแต่หลังจากเราเข้าสู่นิโรธแล้วถาวรเหมือนเจ้าชายสิทธัตถานันวันวิสาขาบูชาพระองค์ตัดสรู้ธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์อยู่เหนือบุญบาปแล้วไม่ต้องสร้างบา ร, รมีอีกแล้วพระองค์ก็นั่งอยู่เฉยๆี่ทาไมต้อง สประกาศศาสนาประกาศพรมจันทร์มาอีกสี่สิบห้าพรรษาช่วงสี่ิบห้าพรรษานี่พระองค์ไม่ได้เจริญมรรคแต่พระองค์อยู่ในมรรคในทางโดยไม่ต้องทําอะไรเลยมันเป็นมรรคสมังคีมันเป็นมรรคโดยธรรมชาติพราะจิตมันเข้าถึงแล้วมันจะเป็นมรรคโดยธรรมชาติอยู่ในมรรคในทางไม่ใช่ช่วงเจริญมรรค นะถ้าเราเข้าถึงแล้วเนี่ยเราถึงจะเข้าใจสิ่งนี้อย่าไปทะเลาะ ก, กันว่านิพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานิพานมันยังไม่ใช่นิพานเลยมันจะเป็นอะไรถ้ายังเป็นอยู่นิพานไม่ได้เป็นก็คือมีอัตตามีตัวตนอยู่พูดว่าว่างก็ไม่ใช่อย่างนะว่าว่างปุ๊บเนี่ยความไม่ว่างมาเกิดขึ้นมันก็เป็นของคู่อีกแต่ภาษามันก็พูดได้อย่างนั้น ถ้ามันว่างปุ๊บมันก็มีผู้ว่างมีผู้ว่างปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่นิพานที่เขาบอกว่าไม่มีผู้บรรลุไม่มีสิ่งบรรลุนะเวลานั้นมันไม่มีอะไรไม่ใช่ไม่มีจิตนะแต่จิตมันไม่มีอัตตาสิ่งสิ่งที่เรียกว่าตัวรู้นั้นมันก็ยังมีอยู่แต่มันไม่มีอัตตาเขาสมมุติสภาวะนั้น่ะ สมมุติเรียกว่านิพพานไม่ใช่เป็นแดนนิพพานเมืองนิพพานที่ไหนนี่แหละมันนั่งเถียงกันผู้เชื่บอกอย่าเพิ่งเชื่อตำหลาเพราะภาษามันหยาบเกินไปจะที่อธิบายสิ่งนั้นนะก็แลกเปลี่ยนนะเพราะกูก็สะท้อนความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังเท่าที่พูดได้ถ้าพูดมากกว่านี้ยิ่งสับสน เพราะสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นคือความจริงนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้ผู้เจ้าจึงใช้ภาษามนุษย์มาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเมื่อเราเห็นธรรมแล้วเราจึงเข้าใจสิ่งผู้เจ้าอยากบอกให้เรารู้เพราะสิ่งนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้แต่ตอนนี้เราเอาภาษาซึ่งเป็นวิชาการเนี่ยมาบังคับให้ทุกคนท่องจา โดยอ้างว่าพระพรุทธเจ้าพูดอย่างนี้พระกูบอกพระกูไม่เชื่อไม่เชื่อมาจากพระโอษพระโอษเน่ยคุณออกมาจากพระไตรปิฎกพระเจ้าไม่ใช่พูดภาษาไทยด้วยใช่ไหมคุณแปลจากบาลีภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยขณะคำว่านิพานคนนี้ยังแปลว่าอัตตาคนนี้แปลว่านัตตาเลยเนี่ยอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยพูดว่าอะไรปฏิบัติ เข้าไปในจิตแล้วเราจะเห็นพระองค์เราจะเข้าใจพระองค์แต่ภาษาที่บันทึกไว้ในี่ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์พระไตรปิฎกเหมือนหนังสือชุดหนึ่งเนี่ยบันทึกพุทธประวัตินะวินัยต่างๆนะพูดถึงเรื่องธรรมะแต่ไม่ใช่ตัวธรรมะมันเหมือนแผนที่เหมือนลายแทงศึกษาแค่สังเกตเหมือนเราจะอยู่กรุงเทพเราจะมาอุบลไม่เคยมาแล้วก็เปิดแผนที่ดู มันมามีมาทางรถยนต์มีกี่เส้นทางเครื่องบินมีกี่สายขี่จักรยานมาได้ไหมเดินมาได้ไหมนั่งเรือมาได้ไหแล้วก็ดูแผนที่แต่ถ้ารู้หมดเลยไม่เคยมาอุบลไม่เคยมาศูนย์พระลานคอยเนี่ยเราจะรู้ไหมศูนย์พระลานคอยเนี่ยอารมณ์มันเป็นยังไงคนที่เรียกว่าพ่อครูเนี่ยพูดเสียงดังๆเนี่ยเป็นยังไงเราต้องมาสัมผัสก่อนเราถึงรู้ว่ามันคืออย่างไรไม่ใช่ไปอ่านหนังสือเขาว่าเขาว่าทุกคนอ้างพระเจ้าว่าหมด อ่ะก็ผูเจ้าคนทุกคนนี่ก็อ้างอ้างอ้างแล้วทำไมแปลไม่เหมือนกันล่ะพ่อครูผู้เจ้าก็บอกแล้วอย่าเพิ่งเชื่อไงพ่อครูก็ทําตามผู้เจ้าบอกพ่อครูไม่เชื่อยังไม่เชื่อแต่ตอนนี้นี่ยพ่ะครูไม่ใช่ไม่เชื่อเฉยเฉนะไม่นับถือผู้เจ้าด้วยพ่ะครูบูชาพระองค์เลยพ่อครูเห็นจริงไม่ต้องลังเลสงสัยทัวรห้ชีวิต ไม่ใช่จะมีอ่านหนังสือเก่งๆไปท่องจํามาเก่งๆก็บังคับให้ทุกคนหนูไม่ท่องจำโดยอ้างว่าพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าพูดภาษาไทยเหรอบรลีก็ยังไม่ใช่ด้วยนะนะเขาศึกษาประวัติศาสตร์โลกนะให้พวกภาษาพวกนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นทีหลังสมัยพุทธกาลไม่มีด้วยแล้วคุณมั่นใจยังไงที่เขียนมาปุ๊บนี่นัยยะมันจะถูกต้อง นี่แหละผู้เจ้าถึงบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อตำลาพระองค์ยิ่งใหญ่มากเห็นล่วงหน้าแต่ไม่ใช่ปฏิเสธมันเหมือนเป็นลายแทงดูแค่สังเกตนนะปฏิบัติศาสนาอย่าปฏิบัติแบบหลงงมงายนะอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่า ย, ายๆอย่าพึ่งปฏิเสธทดลองทดสอบด้วยตัวเราเองนะเมื่อเราเข้าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ย เข้าถึงแล้วยังพูดไม่ได้นะมันเป็นปัจจตังเวทิตพโพวินยูหีเป็นสิ่งที่รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนไอ้ที่รู้บ้างแล้วก็ไปอวดรู้ไปบอกคนนั้นคนนี้เนี่ยระวังไม่จำเป็นอย่าทำเดี๋ยวมันจะสร้างความสับสนเราหวังดีนั่นแหละแต่มันเหมือนประสงค์ลายเพราะเขากับเราไม่เหมือนกันนะต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะครูเตือนเป็นช่วงๆเพราะว่า มันน่าหลงอ่ะเพราะเราได้ของอร่อยเราก็ต้องการแบ่งปันนะนะสมมติว่าเรากินทุเรียนเนี่ยไหมเกิดมาไม่เคยกินได้กินอร่อยมากเลยเรียกขึ้นมามึงมามึงมากินไอ้นี่ได้กินมึงก็วิ่งหนีแล้วไงมันมันไม่เหมือนกันไงเราอยียตัวเองเป็นมาตรฐานนะเพราะมันเป็นนานาจิตตังตอนนี้หลักสูตรแม้กระทั่งศาสนาเราเนี่ยเห็นไหม ก็เอาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะเอาความเชื่อตัวเองก็ยัดเยียดให้ทุกคนต้องทำแบบนั้นก็ไม่เป็นไรมันเป็นแค่สอนวิชาพุทธศาสนาวิชาการแต่ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติศาสนาจริงๆการปฏิบัติต้องลงมือปฏิบัติเข้าไปในจิตเริ่มจากกายในกายเวทนานจิตในจิ ต, จตเข้าไปเสพธรรมในธรรมอันนี้ไม่เข้าก็ไปอ่านหนังสือไงจเจริญอนุสติไง นะก็ไปเจริญอยู่นั่นแนะเจริญอยู่นั่นนั่นแนะแต่มันไม่ได้เข้าไปในจิตไงมหาสติปัฏฐานมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะก็หยุดดีกว่าถ้าไม่หยุดมันก็ไม่หยุดเนาะก็สุดท้ายนี้ทุกคนปฏิบัติต่อนะก็ไม่ต้องให้พอหรอกยังเห็นหน้ากันอยู่โอเคเตรียมตัวปฏิบัติต่อ